กลิ่นศีลพระพุทธภาษิตนปุพะคันโธปฏิวาทเมตินาจันดนังตะครามันลิกาวาสตะสะตัญจักคันโธปฏิวาทเมติสับบารีซาสับปุริโสปวายติจันดนังตะคลังวาปิอุปปลังอัทวัสิกีเอเตสังคันธชาตานังศีลคันโธอนุตตโรกลิ่นดอกไม้ทนลมไม่ได้กลิ่นจันกลิ่นสนะกลัมพะก็ทนลมไม่ได้ ส่วนกลิ่นของสัตรบุรุษไปทวนลมได้สัตรบรุตรฟุ้งไปได้ทั่วทุกทิศบรรดากลิ่นหอมหัากหลายเช่นกลิ่นของไม้จันทร์กฤษณาอุบลและมะลิเป็นต้นกลิ่นแห่งศีลเป็นเยี่ยมอธิบายความไม้หอมมีหลายชนิดบางชนิดหอมที่ดอกบางชนิดหอมที่ลำต้นเช่นจันทร์บางชนิดหอมที่รากความหอมเหล่านั้นไปได้ตามลมทวนลมไม่ได้และหอมในขอบเขตเพียงเล็กน้อยคือหอมไปได้ไม่ไกลนัก เมื่อไม่มีลมพัดต้องหยิบมาดมจึงจะหอมแม้ความหอมของดอกแคฝอยในชั้นดาวดึงของพวกเทพก็หอมไปได้ตามลมเพียงร้อยโยอดเท่านั้นแต่กลิ่นเสีลของสัตว์บุรุษหอมไปได้ไกลทั่วโลกและหอมอยู่ได้นานา น, นับเป็นพันปีหรือหมื่นปีดูกลิ่นเสียงของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างรวมทั้งกลิ่นศสียและเกียรติคุณของคนดีอื่นๆ อ, อันพวกเรายังต้องศึกษาประวัติและผลงานของเขาอยู่จนบัดนี้คนเหล่านั้นมีชีวิตอยู่ก่อนพวกเราถึงสองพันถึงส0มพันปี แต่กลิ่นศีลกลิ่นแห่งความดีของท่านก็ยังฟุ้งตลบอยู่เพราะฉะนั้นพระาศาสดาจึงตรัสว่าบรรดากลิ่นทั้งหลายกลิ่นศีลเป็นเยี่ยมพระพุทธเจ้าตลัดพระพุทธพจน์พระทรงกลารบปัญหาของพระอานนุ์มีเรื่องยอดดังนี้เรื่องปัญหาของพระอา น, นุเทระวันหนึ่งพระอนนุเทระอยู่ในที่ลีเค้นคือที่สงัดในเวลาเย็นคิดว่าพระพุทธเจ้าเคยทรงแสดงกลิ่นของไม้ไว้สามอย่างคือ กลิ่นที่เกิดจากดอกเกิดจากแก่นและเกิดจากรากกลิ่นเหล่านั้นฟุ้งไปตามลมเท่านั้นได้ฟุ้งไปทวนลมไม่ได้กลิ่นอะไรเนอที่ฟุ้งไปทวนลมได้ท่านเข้าวฟ้าพระศาสดาทูลถามพ่อสงสัยนั้นพระศาสดาตรัสตอบว่ากลิ่นศีลฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและทวนลมโดยใจความพระพุทธพจน์ดังนี้อานนท์หญิงหรือชายก็ตามถึงพระพเจ้าประธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งเว้นจากปานาทิบาต เลยไปยงกระทั่งถึงสุราเมาีไรเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมปราถจากความตระณีอันเป็นมลทินมีอัตยาริยน้อมไปในทางศีลละคนจนพอขอได้คนเช่นนั้นย่อมได้รับความสังเสริมจากสมณพราหมณ์ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายกลิ่นแห่งความดีของเขาย่อมฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและทวนลมดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่านปุปผะคันโทปฏิวาตเมติเป็นอาทิมีนัยยะดังอธิบายมาแล้วแต่ต้น